วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สี่พุมภาพันพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบรยษัจผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้บางท่านก็อาจจะคิดว่าเงินทองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้ามีเงินทองแล้วก็จะมีความสุข บางท่านก็คิดว่าการมียศมีตำแหน่งได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็จะมีความสุขอย่างยิ่งบางท่านก็คิดว่าการได้รับรางวัลต่างๆเช่นมีการประกวดนางงาม หากวดดาราภา พ, พยนต์ถ้าได้รับรางวัลก็จะมีความสุขอย่างยิ่งบางท่านก็คิดว่าการที่ได้ไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่ไม่เคยไปถ้าได้ไปแล้วก็จะได้รับความสุขอย่างยิ่ง บางท่านก็คิดว่าขอให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วขอให้ร่างกายนี้อยู่ไปนาน <c oughs> ๆมีอายุยืนยาวนานก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ในสายตาของพระพุทธเจ้า <c oughs> และในสายตาของพระอรหันตาสาวกทั้งหลายนั้น ท่านกลับไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตจิตใจของพวกเราสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระพุทธเจ้าและพระลานตสาวกก็คือดวงจิตดวงใจของเรานี่แหละจิตใจของพวกเรานี่แหละจิตใจผู้ที่มีความรู้มีความคิดต่างๆ ผู้ที่คิดได้ผู้ที่รับรู้อะไรต่างๆได้ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขให้ความทุกข์กับเราที่สูงสุดที่มากที่สุดและที่ยาวนานที่สุดความสุขที่เรา ได้รับจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้รับจากตำแหน่งได้รับจากรางวัลต่างๆได้รับจากการได้ไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆได้รับจากร่างกายของเราที่มีสุขภาพแข็งแรงที่มีอายุยืนยาวนาน พราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขไม่นานนั่นเองเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง <c oughs> เหมือนกับงานเลี้ยงต่อให้เลี้ยงอย่างสนุกสนานขนาดไหนก็ตามมโหฬารขนาดไหนก็ตามแต่วันเลี้ยงก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงทั้นใดความสุขในโลกนี้ ความสุขที่ได้จากการมีลาบยศสรรเสริญการได้ไปเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการได้มีร่างกายที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานมันก็เป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลง แต่ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเป็นงานเลี้ยงก็เป็นงานเลี้ยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจไม่มีวันตายใจไม่มีวันจบใจนี้จะอยู่ไปตลอดคู่กับเวลาการเวลา ตราบใดที่มีการเวลาตราบนั้นจะมีใจอยู่เสมอแต่ร่างกายของพวกเรานี้มันไม่อยู่คู่กับการเวลาการเวลาอยู่แต่ร่างกายจะไม่ได้อยู่ไปกับการเวลาเสมอไปวันนี้เรายังอยู่ร่างกายยังอยู่ได้แต่พรุ่งนี้ใครจะไปรู้ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ แล้วสิ่งต่างๆที่ได้ผ่านทางร่างกายนั้น <c oughs> <c oughs> ก็จะมีวันสิ้นสุดลงตามความสิ้นสุดลงของร่างกายหรือบางทีก็อาจจะสิ้นสุดลงก่อนที่ร่างกายจะสิ้นสุดลงก็ได้บางคนร่ำรวยมห ah, าเป็นมหาเศรษฐีก็อาจจะยากจนลงก่อนที่ร่างกายจะตายก็ได้ คนที่มีตำแหน่งสูงๆใหญ่ๆโตๆก็มีวันหมดตำแหน่งได้รางวัลต่างๆที่ได้รับก็จะไม่ได้รับเสมอไปทุกปีทุกครั้งไปความสามารถที่จะไปหาความสุขจากการท่องเที่ยวจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม ไปรับประทานอะไรต่างๆก็มีวันสิ้นสุดลงได้ก่อนที่ร่างกายจะตายก็มีนี่คือสิ่งที่ในสายตาของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่สัตว์โลกแสวงหากันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลย และนอกจากเห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ยังเห็นด้วยว่าเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งต่อจิตใจเพราะจะเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับใจไปตลอดความทุกข์ของใจนี้จะได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปหรือเปลี่ยนไปพอเวลามันเปลี่ยนไปหรือวันหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วจะเป็นความทุกข์ที่ข้ามภพข้ามชาติด้วยเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไป ใจที่มาใช้ร่างกายอันนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ใจที่ยังมีความหลงที่จะหาความสุขจากร่างกายต่อไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างต่อไปใจตรงนี้ก็จะไป หาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปทุกข์ในรอบใหม่ทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์กับการพัดพรากจากความสุขต่างๆที่พยายามหามาในแต่ละภพแต่ละชาติแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตา่างในที่สุด มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงมันเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานมากเราได้เปลี่ยนร่างกายนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านล่างแล้ว ถ้าอยากจะรู้ว่าจำนวนร่างกายที่เราได้มามาหลังน้ำตาแต่ละครั้งนี้มีกี่ร่างก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าน้อมเก็บน้ำตาที่เราได้หลังในแต่ละครั้งที่เราได้มามีร่างกายมาร้องหมร้องห้ากัน ไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อเกิดมาแล้วนี่ไม่เคยหลั่งน้ําตากันทุกคนต้องหลั่งน้ําตากันจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเอาน้ําตาต่างๆเหล่านี้มารวบรวมกันแล้วมันจะได้มากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็คิดดูก็แล้วกันว่าชาติแต่ละครั้งที่เรามาเกิดแล้วหลังน้ําตานี้ถึงได้ทักขันหนึ่งไหย <c oughs> <c oughs> สมมติว่าหลังได้หนึ่งขันคิดดูที่จะจจะต้องมีน้ําตากี่ขันด้วยกันถึงจะมีปริมาณ <c oughs> มากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรจะต้องมาเกิดกี่ครั้งมามีร่างกายกี่ครั้ง แล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะทำให้มีน้ำตานี้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือจำนวนร่างกายที่พวกเราได้มีกันมาในอดีตและก็ยังจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไปหลงคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามากที่สุดก็คือร่างกาย<ม>ก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยศตำแหน่งรางวีรางวัลและความสุขจากการได้ไปเที่ยวได้ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าเรายังมีความคิดเหล่านี้อยู่เราก็ยังจะต้องไปมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะหลั่งน้ำตาต่อไปต่อไปน้ำตานี่ไม่รู้จะมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรกี่เท่าเสียด้ยซ้ำไปอันนี้แหละคือความเป็นมาของพวกเรานี่คือประวัติของพวกเราทุกคน พวกเหล่านี้เป็นผู้ <c oughs> ท่องเที่ยวหรือเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในภพทั้งสามคือการมพภพรูปภพและอรูปภพ <c oughs> เพราะความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดความเห็นผิด <c oughs> ที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิหรือโมหะความหลง หรือความไม่รู้อวิชชาไม่รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้ความสุขแบบปราศจากความทุกข์ที่จะให้ความสุขแบบถาวรแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี้คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ พอหามาได้มากน้อยเพียงไรวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่หามาได้พอมันสิ้นสุดลงความสุขก็สิ้นสุดลงตามไปก็จะปล่อยให้ใจมีแต่ความความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเหงาความเศร้า นี่แหละคือสิ่งที่เกิดจากความเห็นที่ไม่ถูกต้องความไปเห็นความไม่เห็นว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดและไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าใจคืออะไรใจอยู่ที่ไหนตรงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าใจนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเพียงแต่ว่า เรานี่แหละใช้ใจอยู่ตลอดเวลาใช้ใจเป็นเครื่องคิดคิดการจะทำอะไรต่างๆใช้ใจเป็นเครื่องรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่แหละเป็นผู้ที่เสพความสุขหรือความทุกข์ที่ได้เข้ามาทาง ตาหูจมูกร่้นกายตา่างๆแต่เราไม่รู้ตัวใจว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกนี้ก็ไม่รู้ความจริงอันนี้ก็จะไปคิดว่าใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ที่สมองแต่ความจริงแล้วใจนี้ไม่ใช่เป็นสมองใจเป็น กายทิพย์เป็นธาตุรู้ไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะมีธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมตัวกันมาผสมกันเริ่มต้นที่ธาตุสี่ของพ่อและของแม่มารวมตัวกัน พอธาตุสี่ของพ่อของแม่มารวมตัวกันขึ้นก็ทําให้เกิดมีธาตุสี่อีกร่างหนึ่งขึ้นมาคือร่างกายที่พวกเรามาครอบครองกันพวกเราก็คือใจนี่แหละที่มาครอบครองตั้งแต่วันแรกของการปฏิสนธิการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายอยู่ใน ท้องแม่เก้าเดือนแต่กำลังเติบโตด้วยธาตุสี่ดินน้ำนมไฟของแม่แม่เป็นผู้ป้อนธาตุสี่ดินน้ำนมไฟให้กับลูกที่อยู่ในคันจนกระทั่งลูกนี้โตจนกระทั่งอยู่ในคันต่อไปไม่ได้แม่ก็เลยต้องคลอดลูกออกมาแล้วพอออกจากร่างกายของแม่มา ร่างกายของลูกก็เริ่มหาเริ่มรับรูปสีเริ่มเริ่มรับธาตุสี่ดินน้ำนมไฟด้วยตนเองตอนอยู่ในครันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องหาไม่ต้องรับรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยตนเองมีแม่คอยส่งละส่งธาตุสี่ให้กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาผ่านทางสายสะดือนี่ สายสะดือนี้เป็นท่อเลี้ยงของร่างกายของทารกในสายสะดือก็จะมีดินน้าลมไฟเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสร้างอาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะเป็นต้น นะครพอจเจริญเติบโตเต็มที่ก็คลอดออกมาพอจากท้องแม่แม่มาแล้วทีนี้ต้องต้องเอาธาตุสี่เข้าไปด้วยตนเองนะต้องหายใจเองสิ่งแรกที่ออกมาก็ต้องทําก็คือต้องสูดลมหายใจต้องเติมธาตุลมทันทีร่างกายนี้ขาดธาตุลมไม่ได้ธาตุลมนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่ง ถ้าทธาตุลมเมื่อไหร่ถึงแม้จะมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟอยู่ก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตคือร่างกายนี้ดำลงต่อไปได้ดงนั้นสิ่งแรกที่ทารกต้องการก็คือลมหายใจธาตุลมออกมาก็เริ่มหายใจแล้วต่อมาก็หิวน้ำหิวอาหารแม่ก็เติมธาตุแม่ก็ป้อนธาตุ ธาตุน้ำกับธาตุดินคือนมนี่แหละให้นมนี้มีทั้งธาตุน้ำมีทั้งธาตุดินคือสารอาหารต่างๆนี้เป็นธาตุดินแล้วก็ให้ความอบอุ่นของร่างกายของลูกด้วยการมีผ้าหม่มมีผ้าอ้อมมีอะไรไว้คอยให้รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับที่ที่ทำให้ร่างกายไม่เดือดร้อน นี่คือธาตุสี่ที่มารวมกันมาสร้างร่างกายร่างกายก็จะค่อยเจริญเติบโตไปเรื่อยตราบใดที่มีการเติมธาตุทั้งสี่อยู่อย่างสม่ำเสมอเด็กก็มีลมหายใจยอยู่เรื่อยๆดื่มน้าดื่มนมไปเรื่อยมีความอบอุ่นของร่างกายอยู่เรื่อยๆ ร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับไปอันนี้คือธาตุสี่ส่วนธาตุรู้คือใจนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนธาตุรู้นี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ากายทิพย์ธาตุรู้นี้อยู่อีกพบอยู่อีกมิติหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์พวกเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ในร่างกายคำว่าพวกเราก็คือใจหรือธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่เชื่อมต่อร่างกายเหมือนกับเวลาที่โทรศัพท์มือถือสองเครื่องเชื่อมต่อกันโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเขาสามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยอาศัยคลื่นวิทยุพอมือถือเครื่องหนึ่งส่ง สัญญาณเครื่องวิทยุไปเครื่องหนึ่งเครื่องเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็จะรับสัญญาณแล้วก็สามารถตอบกลับได้เช่นเวลาคุยกันทางโทรศัพท์สิ่งที่มาเชื่อมต่อมือถือสองเครื่องก็คือสัญญาณวิทยุแล้วก็อาจแต่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันอาจจะอยู่คอนเสิรกโลกก็ได้ มือถือเครื่องนึงอยู่ที่ประเทศไทยมือถืออีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็ได้แต่สามารถเชื่อมต่อติดต่อกันได้ด้วยกระแสของวิทยุสื่อสารฉันใดธาตรู้กับธาตุสีคือดินน้าลมไฟก็จะเชื่อมต่อกันด้วยการอาศัยกระแสของของธาตรู้ ธาุรู้นี้มีความสามารถที่จะส่งกระแสมารับข่าวสารผ่านทางจากทางร่างกายได้ข่าวสารทางร่างกายมีอะไรข่าวสารที่ร่างกายมีส่งไปให้กับธาตุรู้หรือใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้เพราะว่าร่างกายนี้มีทวารทั้งห้า มีความสามารถที่จะเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นรสและสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบที่ร่างกายได้ mm hmm. เรียกว่าการมคุณห้า mm hmm. การมคุณห้านี้ก็จะเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะรับรับช่วงต่อโดย กระแสวิญญาณคือกระแสที่มารับรู้กามคุณทั้งห้านี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณห้าวิญญาณที่รับรู้รูปก็เป็นวิญญาณอันหนึ่งวิญญาณที่รับรู้เสียงก็เป็นวิญญาณ อ, อีกาัหนึ่งวิญญาณที่รับรู้กลิ่นรสผดผ้าก็เป็นคนละเส้นกันคนละสัญญาณกันมี มีมีห้าเส้นด้วยกันมีห้าสัญญาณมีห้ากระแสก็แล้วกันเรีวยกว่าห้ากระแสแล้วไปไปที่ธาตุรู้ไปที่ใจผู้รู้พอไปถึงใจใจก็สามารถที่จะมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้รับมาจากตาหูจมูกนิ้กายนี้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไร เป็นไข่เป็นต้นเช่นรูปที่เห็นก็จะเริ่มเริ่มวิเคราะห์ดูว่าเป็นรูปของใข่ถ้าเป็นคนเนี่ยเป็นคนเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรต่างๆใจก็จะเป็นผู้วิเคราะห์โดยอาศัยความจำที่เคยเห็นร่างกายแบบนี้มาก่อนหรือไม่ถ้าเคยเห็นก็จะรู้ เนี่ยถ้าเคยเห็นคนนี้มาก่อนพอเห็นอีกครั้งหนึ่งก็จะรู้ทันทีว่าเป็นใครเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูก็จะรู้ทันทีพอรู้แล้วก็เกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้เห็นทันทีเห็นรูปเห็นเห็นเพื่อนก็ดีใจเห็นศัตรูก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้คือ เรื่องของใจกับร่างกายที่เชื่อมต่อกันด้วยกระแสของของใจใจส่งกระแสมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีกระแสอีกการหนึ่งคือคำสั่งสามารถส่งคำสั่งมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ตอนต้นเวลาเกิดมาใหม่ๆใจก็หัดซ้อมสั่งร่างกายสั่งให้ร่างกาย ให้ลุกขึ้นนั่งให้ลุกขึ้นยืนให้ลุกขึ้นเดินให้วิ่งให้ยกแขนซ้ายแขนขวาให้ทาอะไรต่างๆตามที่ต้องการได้ mm hmm. เบื้องต้นของชีวิตนี้เป็นการซ้อมเป็นการซ้อมใช้ร่างกายด้วยใจใจเป็นผู้ซ้อมผู้สั่งสั่งให้ร่างกายนอนอยู่ก็ให้ลุกขึ้นมาให้ยืน ให้หัดเดินตอนต้นก็คลานไปก่อนคลานแล้วก็หัดยืนเกาะอะไรให้ยืนขึ้นมาตอนต้นก็ใส่เกาะแล้วค่อยๆเดินต่อไปก็เดินเองได้ต่อไปก็วิ่งได้ต่อไปก็ทำอะไรต่างๆได้พอตนขึ้นอีกหน่อยพ่อแม่ก็ส่งไปโรงเรียนส่งไปเรียนรู้อะไรต่างๆอีกหลากหลายด้วยกันในเบื้องต้นของชีวิตนี้ ใจต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพราะจะได้เอาเรื่องราวต่างๆนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจต่อไปนั่นเอง น, นี่คือเรื่องของใจที่สําคัญที่สุดกับร่างกายที่เป็นของที่สําคัญแต่ไม่สําคัญเท่าใจเพราะร่างกายนี้มันมีกรอบของมัน กรอบของมันก็คือเกิดแก่เจ็บตายต่อให้เราเลี้ยงดูมันดูแลรักษามันให้ดีขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งมันก็ต้องเข้าสู่ความเป็นจริงของมันเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เข้าสู่ความตายไปแต่ใจนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนความสำคัญของใจ อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ว่ามันไม่มีวันตายทีนี้มันปัญหาของใจก็คือมันไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ตายและไม่รู้ว่ามันนี่ไม่ควรที่จะไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเพราะว่าร่างกายนี้พึ่งไม่ได้ตลอดเวลา พึ่งได้ถึงระดับหนึ่งพอมันถึงเวลาที่มันจะตายก็พึ่งมันไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้กันต้องรอให้คนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้มาค้นพบความจริงอันนี้ด้วยตนเองไม่มีใครรู้ว่า ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่มีใครรู้ว่าใจนี้กับร่างกายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรไม่มีใครรู้ว่าใจนี้มาหาความทุกข์เนื่องจากการไปหลงยึดร่างกายอาศัยร่างกายที่เป็นของชั่วขาวนี้มาเป็นแหล่งของความสุขของใจเมื่อร่างกายหมดสภาพความสุขที่ ได้จากผ่านทางร่างกายมันก็หมดไปพอหมดไปใจไม่มีความสุขใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนต้องรอให้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้มาศึกษาความจริงอันนี้ตอนต้นทำไมที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าก็อาศัยร่างกายนี้หาความสุขเหมือนกัน เหมือนกับที่พวกเราหากันอยู่นี้อาศัยร่างกายหาเงินหาทองหายศหาตําแหน่งหารางวัลหารูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาเสกกันอยู่เรื่อยๆแต่วันหนึ่งท่านก็เกิดมีปัญญาขึ้นมาไปเห็นความไม่แน่นอนของร่างกายไปเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ ที่มาให้ความสุขกับตนว่ามันเป็นของไม่แน่นอนทรัพย์สมบัติก็ไม่แน่นอนตำแหน่งก็ไม่แน่นอนรางวีรางวัลอะไรต่างๆก็ไม่แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆก็ไม่แน่นอนจะมาเมื่อไหร่จะไม่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ควบคุมบังคับมันไม่ได้ มันเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ที่ท่านเรียกว่าอนัตตามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งที่จะไปสั่งให้ลาบยศสรรเสริญศุข์นี้มีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีเพราะกฎของธรรมชาติข อ, ของสิ่งเหล่านี้มันมันมีกฎธรรมชาติที่คุมมันอยู่ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงนั่นเอง อนัตตาไม่มีใครไปทำให้มันเที่ยงได้มันต้องเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วพระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาทรงเห็นความไม่แน่นอนของความสุขเหล่านี้ความสุขที่ได้จากราบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขที่ได้จากผ่านทางร่างกายมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลง และมันยังไม่ได้สิ้นสุดแบบทันทีทันใดบางทีก็ค่อยๆค่อยๆลดน้อยลงไปตามตามกำลังของร่างกายพอร่างกายมีความชรามากขึ้นความสามารถที่จะหาความสุขอยากลาบยศเสรเสริ่สุขก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเมื่อความสุขลดน้อยลงความทุกข์มันก็เข้ามาเพิ่มขึ้นแทนที่เนี่ยพระพุทธเจ้าทร ง, เ ล, งเล็งเห็นเพราะ มีปัญญาพอไปเห็นร่างกายของคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนสมัยที่ไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะว่าพระพรุทรธบิดาไม่ให้อนุญาตให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังไม่ให้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเวลาใครจะเข้ามาในวังนี้ต้องเป็น ห้ามไม่ให้เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาในวังโดยเด็ดขาดเพราะไม่ต้องการให้เห็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความไม่แน่นอนของร่างกายนีเ้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายของทุกๆคนว่าเมื่อได้เกิดมาแล้วก็จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาทุกคนแต่ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ นิสัยของคนยิ่งห้ามยิ่งยุห้ามไม่ทำอะไรนี่ยิ่งอยากทำยิ่งอยากรู้ทําไมต้องห้ามด้วยเมื่อห้ามก็เลยห้ามไม่ให้ออกไปก็เลยต้องแอบออกไปพอออกไปก็ไปเห็นความเป็นจริงของร่างกายของคนเราทุกคนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดเห็นว่าความทุกข์นี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเพราะร่างกายนี้มันจะต้องเสื่อมลงไปตามลาดับแล้วมันก็จะต้องตายไปในที่สุดแต่ก็โชคดีที่ไปเห็นคน นักบวชเข้าด้วยแล้วก็ได้สืบทราบมาว่าพวกนักบวชนี้เขาอยู่อีกแบบหนึ่งแทนที่เขาจะหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเขากลับไปหาความสุขเกิดจากจากการทำใจให้สงบด้วยการสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปก่อน ถ้าไม่สละนี่ก็จะไม่สามารถที่จะไปสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ พ, พระพุทธองค์ก็เคยได้สัมผัสในตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยมีอยู่วันหนึ่งคอยอยู่ประทับอยู่ตามลําพังแล้วก็บรรดาผู้ที่เป็นข้าราชบริพารผู้ที่คอยรับใช้ วันนั้นเขาไม่ว่างไปช่วยภารกิจทางอื่นเลยปล่อยให้เจ้าชายสิทธัตถะนั่งประทับอยู่ใต้โคนไม้ตามลำพังพอไม่มีใครห้อมล้อมไม่มีใครมารบกวนใจใจของเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตชาติเคยเคยพบกับความสงบในขณะที่อยู่ในที่สงบพอได้อยู่ในที่สงบอีกครั้งหนึ่งใจก็ เข้าสู่ความสงบของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปสั่งมันถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบชั่วคราวก็ตามแต่ก็ทำให้เกิดความประทับใจกับความสงบอันนี้แต่ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไงตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่แต่ต่อมาเริ่มทราบว่าความสงบอันนี้สามารถที่จะสร้างกันขึ้นมาได้ และสามารถรักษาให้มันอยู่คู่กับใจไปได้ตลอดเป็นความสุขทดแทนความสุขที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งราบยศสารเสริมไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าใครได้ความสุขจากความสงบแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย จะไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมของราบยศเสริญสุขแต่อย่างไรเพราะยังมีความสุขได้เป็นความสุขที่ได้จากการไปฝึกฝนอบรมการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญานี่ อันนี้แหละเป็นส in ิ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อถึงเวลาที่พร้อมแล้วก็ตัดสินใจสละราชสมบัติสละความสุขทางโลกไปความสุขที่พวกเราทั้งหลายนั้นคิดว่าเป็นความสุขที่สุดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือราบยศเสริญ กับความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิน่นรสผดผันี้แต่ในสายตาของคนฉลาดก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับดักของความทุกข์เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดเวลาเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารอนอชุชาไม่เห็นไม่เห็นตะขอเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่ออยู่พอไปตะคุบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ด เกี่ยวปากแล้วก็ถูกคนตกปลานี้ลากตัวปลาขึ้นไปเข้าสู่มอ้อแกงต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครไปติดราบยศสารสสุขแล้วก็ก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดของความทุกข์มันเกี่ยวใจจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเพราะราบยศสารสุขนี้มันไม่เที่ยง ม, มันจะต้องมีวันเสื่อม เช่นเดียวกับเครื่องมือคือร่างกายมันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมถ้าใครไปยุ่งกับเรื่องของราบยศสรเสริญสุขไปมีร่างกายเพื่อที่จะได้เสพแล้วก็ก็จะต้องไปเจอความทุกข์ทุกครั้งไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโถดต่อไปอย่าไปมีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายได้แล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดจากการเกิดเมื่อเกิดก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายไม่มีอันนี้คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ วิเคราะ์ดูความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับจิตใจและสิ่งที่ต้องทำให้กับจิตใจก็คือต้องสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าได้ความสุขภายในใจแล้วใจก็จะไม่ต้องไปพึ่งความสุขทางด้านอื่นต่อไป ใจก็จะอยู่ไปอย่างมีความสุขไปตลอดเพราะใจไม่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนร่างกายร่างกายนี้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องดับลงองค์ประกอบคือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่มารวมตัวกันในร่างกายก็มีการแยกตัวออกไปธาตุลมไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ํา บ่อยทิ้งไว้ให้เราเห็นกันก็คือธาตุดินเนเวลาเราไปเผาศพคนตายวันรุ่งเช้าเราก็ไปเก็บกระดูกกันเก็บที่เท้ากันนั่แหละคือส่วนที่เหลือส่วนธาตุยังทั้งสามธาตุนี้แยกตัวไปกันลนะหมดละธาตุลมก็ไปตั้งแต่วันสิ้นลมวันตายพอหมดลมหายใจธาตุลมก็ไม่มีเข้าแล้วมีแต่ออกไปเรื่อย ธาตุไฟคือความร้อนของร่างกายก็ค่อยๆออกไปร่างกายคนตายจึงเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นหลังจากนั้นก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้น้ํามันก็จะออกมาตามทวารร่างกาจนในที่สุดร่างกายก็แห้งกรอดไปถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้มันให้มันแยกตัวของมันเองแต่สมัยนี้เรามีวิธีให้มันแยกตัวเร็วก็คือเอาเข้าเตาเผาไปเอาเข้าเตาเผา เพื่อแยกธาตุนี่แยกธาตุทั้งสี่ให้มันแยกกันออกไปคือแยกธาตุน้ำก็ออกจากธาตุดินเพราะธาตุไฟออกไปแล้วธาตุลมออกไปแล้วเวลาคนตายนี่สิ่งที่เหลืออยู่ในร่างกายของคนตายก็เหลืออยู่สองธาตุด้วยกันคือธาตุน้ํากับธาตุดินพอเอาไปเผาก็จะทําให้ธาตุน้ํานี่ระเหยออกไปหมดปล่อยให้เหลือแต่ธาตุดิน ถ้าดินก็กลายเป็นขี้เถ้าเลยส่วนที่มันไฟไม่สามารถที่จะเผาให้มันกลายเป็นขี้เถ้าก็คือเศษกระดูกชิ้นต่างๆอันนี้แหละคือร่างกายของพวกเราทุกคนมันไม่มีสาระความสําคัญอะไรมันไม่เป็นสิ่งที่จีรังถาวอนมันไม่มีตัวไม่มีตนใจเราไปหลงคิดไป เ, เว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ในร่างกาย ยังทำให้เราไปทุกข์กับร่างกายกันเพราะเราคิดว่าเราจะแก่ไปกับร่างกายเจ็บไปกับร่างกายตายไปกับร่างกายแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลยเพราะเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนะ เ, เหมือนกับอยู่อีกทวีปหนึ่งใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกที่เพียงแต่มี วิญญาณกระแสวิญญาณมารับรู้เรื่องของร่างกายว่ากำลังเป็นอะไรอยู่รู้ว่าร่างกายตอนนี้กำลังแก่ลงไปเรื่อยๆรือว่าร่างกายอันนี้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็รู้ว่าร่างกายนี้หยุดหายใจแล้วแล้วพอหยุดหายใจความเชื่อมต่อกันก็สิ้นสุดลงใจก็อยู่ตามลาพังโดยที่ไม่มีร่างกายมาเกี่ยวข้องต่อไป เมือนกับช่วงที่เรานอนหลับ เ, เวลาเรานอนหลับในี่ใจก็ยุติการเกี่ยวข้องกับร่างกายชั่วคราวยุติการรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายเวลาเราหลับนี่เราจะไม่รู้เรื่องของร่างกายเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ร่างกายนอนอยู่ตรงไหนที่ไหนนอนอยู่ในท่าไหนอะไรไม่รู้หมดตอนนั้นเราจะไปอยู่กับเรื่องราวที่ใจปรุงแต่งขึ้นมา ที่เรียกว่าความฝันต่างๆความฝันต่างๆนี้เกิดจากการผลิตความคิดปรุงแต่งของใจเองเพราะใจมีเรื่องมากใจได้ไปบันทึกเรื่องราวต่างๆมากใจนี้เป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมเครื่องคอมของเรานี่บรรจุอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยในมือถือเนี่ยไปถ่ายภาพมาไปอัดวีดีโอมาอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมือถือหมด เวลาที่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราอยากจะไปข้างนอกเราก็ผ่านมือถือได้เปิดดูภาพเก่าๆดูวีดีโอเก่าๆที่เราไปดูที่ไปเราไปไปเที่ยวมากันไปกินไปดื่มกับคนนั้นไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้หรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวเดี๋ยวนี้ก็มีอัดคลิปกันไว้เวลาเกิดมีปัญหากันก็ถ่ายคลิปกันไว้บันทึกเอาไว้ในเครื่อง เนี่ยใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนเครื่องมือถือดีๆนี่มันบันทึกไว้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยแม้แต่วันนี้ขณะนี้ที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่นี่มันก็บันทึกอยู่แล้วมันก็บันทึกบรรยากาศบันทึกความรู้สึกต่างๆที่ได้จากแต่ละเนี่ยในในสถานที่และเวลาบางทีก็บันทึกถึงบรรยากาศที่สุขที่สบาย บางทีก็ไปบันทึกบรรยากาศที่เครียดที่ทุกข์ที่วุ่นวายใจมันอยู่ในใจของเราหมด <Yeah. S 1> สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการกระทําของเราการกระทําของเรานี่มันจะบันทึกไว้หมดไม่ว่าจะเป็นความ ก, า, มการกระทาที่ทำให้เกิดความสุขที่เราเรียกว่าบุญหรือการกระทาที่ทำให้เกิดความทุกข์ที่เรียกว่าบาปมันก็จะบันทึกอยู่ในใจของเรา พอเวลาที่ร่างกายมันไม่ทํางานเวลาร่างกายพักผ่อนหรือตายไปใจก็อาศัยสิ่งที่ได้บันทึกเอาไว้นี้มามาเป็นเพื่อนแก้งเหงาต่อไปมาเสกเพราะใจนี้อยู่กับความว่างเฉยๆไม่ได้เวลาอยู่กับความว่างแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวเวลาสังเกตดูมนะเวลาเราไปนั่งอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรมักจะเปิดมือถือกัอนอย่างนี้มีมือถือเป็นเครื่องเ ป, เป็นเพื่อน ไปรอหมอไปรออะไ ร, รไปช่วงที่นั่งรออยู่นี่ก็เปิดมือถือกันดูไปดูภาพฟังเสียงอะไรไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ร่างกายเราตายไปเวลร่างกายตายแบบนี้ใจไม่ได้ตายใจมันก็อาศัยเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ทำเอาไว้มาเป็น <c oughs> เป็นสิ่งให้มันเสก พราะใจยังหิวกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆอยู่แต่ปัญหาก็คือมันไปเลือกเลือกเหตุการณ์ที่มันจะดูไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าไปบันทึกอะไรเอาไว้ถ้า บ, บันทึกแต่เรื่องไม่ดีมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีโผล่มาให้เห็นที่เราเรียกว่าฝันร้ายเนี่ยเวลาเราฝันร้ายนี่ก็เพราะเราไปทําเรื่องไม่ดีเอาไว้ ้วเวลาเราตายไปเวลาเรื่องเราหลับไปมันก็จะเอาเรื่องไม่ดีมาโผล่ให้เราได้ฝันกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ให้ความสุขใจสบายใจพอเราหลับไปมันก็จะมีเรื่องดีๆมาให้เราได้ดูได้เส็กันันนี้คือสภาพของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาร่างกายตายไปแล้วก็เหมือนกับการนอนหลับดีๆนั่นงต่างกันตรงที่ว่าเวลานอนหลับนี้เราหลับไม่นานอย่างมากก็แปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเราก็ยังกลับเข้ามาที่ร่างกายอั น, อนเก่าอยู่แต่เวลาตายไปนี่เราหลับยาวไม่รู้กี่ปีอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้ไม่แน่นอน เพราะโอกาสที่จะได้มารับร่างกายอันใหม่นี้มันคิวอะมันอาจจะยาวก็ได้ต้องรอคิวยาวเหมือนนักศึกษาเหมือนคนที่ไปผ่าตัดนี่บางทีหมอนัดคิวให้ยาวเพราะคนรอผ่าเยอะคนทําสัญญกรรมเยอะคนไปเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นส่วนเยอะหมอก็บอกว่ามันมีชิ้นส่วนไม่มากต้องรอรอคิวกัน มีตายไม่มากคนที่ต้องการถ่ายตายก็ต้องรอคิวไปฉันใดเวลาตายไปก็ไปไปไปเปลี่ยนร่างกายใหม่แทนที่จะเปลี่ยนแค่ตายแค่ตับนี้เวลาตายนี้เราเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทั้ง32อาการเลยแต่ต้องรอคิวคิวนี้ช่วงที่รอคิวก็ดูวิดีโอที่เราอัดไว้ในใจไปก่อนก็แล้วกันดูเรื่องราวต่างๆที่เราอัดไว้ในใจเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้าง ถ้าเราทำแต่บาปมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีให้เราให้เราดูได้เราเสกถ้าทำแต่บุญเราก็จะได้เรื่องที่ดีให้เราเสกไปในช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ปับ๊บเราก็ตื่นขึ้นมาทันทีอ๋อตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากับร่างกายอันใหม่แต่ใจก็ยังเป็นใจอันเก่าอยู่ใจก็ยังหลงกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ ขอเกิดมาปั๊บก็อยากจะหาราบยศเสริญกันอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผดทะพากันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมาหาความสุขแบบเดิมกันอีกอันนี้แหละคือเรื่องราวของใจของพวกเราที่ถ้าไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆมีการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอพระอรหันต์เจอพระพุทธเจ้าที่มาสอนว่า ยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเถิดเหตุที่พาพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่เองอยู่หาความสุขจากลาบยศสรเสริญกันดีกว่าอยู่ฐาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภากนดีกว่าแล้วมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบได้ใจก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่ แล้วก็จะไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศายราบยศสะลรเสริญสุขพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะสามารถอยู่กับความสงบของใจที่ให้ความสุขไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเป้าหมายของคำสอนของพุทธเจ้าก็มีที่ตรงนี้แล้วสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขใจกัน สร้างความสุขใจจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากตามลาดับขั้นที่ง่ายที่สุดก็คือกา้นทำบุญทำทานแทนที่จะไปหาความสุขจากการเอาเงินไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันลองเอาเงินไปทำบุญดูทำบุญทาทานทำที่ไหนกับใครก็ได้เบื้องต้นทำกับคนที่มีพระคุณกับเราก่อน<ม>เช่นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์หรือพระศาสนา อันนี้เหล่านี้เป็นผู้มีพระคุณที่เราสามารถทําบุญน่าเกิดความสุขได้เวลาเราทําบุญเราเสียสละนี้ใจเราจะอิ่มใจเราจะเย็นใจเราจะสบายนอันนี้ขั้นที่ขั้นที่หนึ่งจากการหาความสุขทางใจนะขั้นที่สองก็คือให้เรารักษาศีลกั น, กนอย่าไปทําบาปกันเพราะการทําบาปจะทําให้ใจเราทุกข์ ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขใจเราต้องละเว้นจากการทําบาปคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดและเราต้องละอบายามุกด้วยเพราะอบายามุกนี้จะเป็นตัวที่จะไปทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายนั่นเองคือการดื่มชุรายาเมาเพราะถ้าเราเดื่มชุราแล้วเดี๋ยวเม า, เ, าเดี๋ยวเราก็ไม่มีสติควบคุมควบคุมใจ เราก็จะไปทําอะไรตามความรู้สึกนึกคิดได้ถ้าคิดไม่ดีไม่ชอบใครก็จะไปด่าเขาว่าเขาหรือไปทุบตีไปทําร้ายเขาได้แต่ถ้ามีสติมันก็จะยับยั้งได้ว่าอ๋อนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องละอบายามุกด้วยอบายามุกนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือสุราข้อสองก็คือเล่นการพ น, นัน ข้อสคือการเที่ยวเตะข้อสี่คือความเกลียดคร้านและข้อห้าคือการครบคนที่ชอบอบายามุขนี่คือสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนให้พวกเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยถ้าเราไม่อยากจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอย่าไปเสพอบายามุขแล้วก็อย่าไปทําบาปถ้าเราทําได้ความทุกข์ใจจะไม่เกิดจะมีแต่ความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญ แต่ความสุขใจที่ได้จากความทาบุญนี่มันยังไม่มันไม่เต็มร้อยมันได้มันได้เป็นเป็นบางส่วนยังไม่เต็มร้อยได้ไม่มากยังมีส่วนที่ต้องเติมด้วยวิธีอื่นวิธีที่จะเติมทำใจให้เต็มร้อยนี่ก็ต้องไปทำอีกขั้นหนึ่งคือขั้นชำระจิตใจขั้นชำระจิตใจสิ่งที่มาทาให้ใจนี่หิวโหยนี่แหละทา สิ่งที่ทำให้ใจนี้มีความหิวโหยไม่มีความสุขก็คือความความอยากต่างๆนี่ อ, อยากหาความสุขอยากราบยศเสรเสรอยากมีชีวิตอยู่ยายืนยาวนานความอยากอันนี้เวลามันเกิดแล้วมันทำให้ใจเครียดทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไม่มีความสุขเราต้องมาระ ง, งับมันให้ได้หยุดมันให้ได้วิธทีที่จะหยุดมันก็ต้องหยุดความคิดหยุดใจ ทำใจให้นิ่ ง, งๆเฉยๆให้ได้ด้วยการเจริญสติถ้ามีสติเราจะสามารถควบคุมความคิดที่เป็นตัวที่ทำให้ใจโลภใจอยากได้ได้จะทำให้ใจนิ่งสงบให้มีความสุขได้ในเบื้องต้นเราก็มาฝึกสติมาทำใจให้สงบด้วยสติก่อนแต่ความสงบจากสตินี้มันก็ยังเป็นความสงบแบบชั่วคราว อ, อยู่ เพราะกำลังของสตินี้มันไม่ต่อเนื่องมันไม่ยาวนานเวลาเข้าสู่ความสงบสติก็หยุดทำงานชั่วคราวคือไม่ได้ไม่ได้สร้างสติเพิ่มมีสติประคองแต่มันจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนตัวลงแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะต้องออกจากสมาธิออกจากความสงบมาเพราะตัวที่ดันให้ใจออกมาก็คือความอยากต่างๆนั่นเอง อันนี้สติจึงทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เป็นพักๆเข้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องถูกความอยากดันออกมาถ้าไม่อยากให้ความอยากดันออกมาไม่อยากให้ใจถ้าอยากให้ใจสงบไปตลอดเวลาความอยากออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนให้รู้ว่าความอยากนี้คือสิ่งที่ใจอยากนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือราบยศสรรเสริญ ความสุขจากรูปเสียงกลิ<ม>่นรสผดสะพ้าความสุขจากร่างกายนี้มันล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันให้ความสุขเราได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราไปหามันไปเอามันมาให้ความสุขเราก็จะต้องผิดหวังแล้วเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วให้คิดอย่างนี้สอนใจเพราะว่าเราไปทําให้มันเป็นความสุขแบบถาวรไม่ได้ ความสุขแบบถาวรมันมีอยู่มันถูกความความอยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มามาบดบังไว้เท่านั้นเองถ้าเราหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ต่อไปใจของเราก็จะสงบอย่างถาวรสงบอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อความส ง, สงบมีเมื่อไหร่ความสุขก็มีเมื่อ น, นั้น เมื่อความสงบเป็นความสงบที่ถาวรความสุขที่ได้ก็จะเป็นความสุขที่ถาวรนี่แหละคือความสุขของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านหาความสุขแบบนี้ท่านหาความสุขทางใจการต้นก็หาความสุขจากการทําบุญทําทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติทั้งหมดเลย ไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยแล้วก็ออกไปรักษาสิงไปบวชบวชแล้วก็พยายามเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ใจนิ่งสงบอยู่ในสมาธิและเวลาออกจากสมาธิมาเวลาความอยากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่อยากมันไม่เที่ยงแล้วเราไปทาให้มันเที่ยงไม่ได้ จะต้องผิดหวังได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องหมดไปเวลาหมดไปความสุขหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์<ม>พอตัดความอยากได้หยุดความอยากได้ใจก็กลับไปสู่ความสงบเหมือนเดิมความสงบที่ได้จากสติสติสามารถคุมให้จิตสงบแต่ถ้ามีความอยากนี่ สติสู้ไม่ได้สติห้ามมันไม่ได้ห้ามได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทำให้มันตายไม่ได้ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะบอกว่าทำไมเราไม่ควรไปทำตามความอยากเท่านั้นเองเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มทุกวันนี้มันจะทำให้เราเป็นมะเร็งนี้เราจะหยุดดื่มทันทีเลยถึงแม้เราจะชอบดื่มมันขนาดไหนก็ตามแต่พอดีมีคนเข้าไปวิจัยพบว่ามีสารก่อมะเร็งอยู่ในเครื่องดื่มอย่างนี้ พอมีประกาศออกมาป า, า๊บท่านน่ะขายไม่ออกเลยเครื่องดื่มชนิดนั้นเพราะคนกลัวเป็นมะเร็งกันฉันใดใจก็ต้องกลัวความทุกข์กัน<ม>ถ้าปัญญาบอกว่าสิ่ ง, งต่างๆที่กิเลสอยากได้ความอยากต้องการนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปแล้วไปทําให้มันเที่ยงไม่ได้ทําให้มันไม่หมดไม่ได้ ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่มีความอยากจะได้อะไรอีกต่อไปจะไม่ได้อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพ้ะอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบก็ถ้าไม่มีความอยากก็มันก็จะสงบไปอย่างถาวร อ, อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องมาทำให้กับใจของพวกเรากันทุกคนเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ใจนี้แหละที่จะให้ความสุขที่เลิศที่สุดที่วิเศษที่สุดใจนี้แหละที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับอะไรอีกต่อไปแต่เราต้องมารักษาใจเราต้องมาสร้างความสุขให้กับใจใจนี้ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวมันเองได้ต้องอาศัยคำสั่งคำสอนวิธีของพระพุทธเจ้ามาทำให้ใจมีความสุขก็คือให้เรามาทาบุญทาทานกันให้เรามารักษาศีลกั น, กน ให้เรามาภาวนากันสมถะภาวนาทำใจให้สงบมีปั ส, สนาททำใจสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอราิยสัจสี่ถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักแล้วใจก็จะตัดความอยากไปให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากเหนืออยู่ในใจใจก็สงบไปตลอดปราศจากความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุด ใจของพระพุทธเจ้าและผ้าหลานศสาวกตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนั้นอยู่อยู่ตั้งแต่วันที่ท่านกำจัดความอยากที่มีอยู่ภายในใจของของท่านให้หมดไปได้ของพระพุทธเจ้าก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่มีอายุ35ปีใจของท่านสงบตลอดอย่างถาวรมีบัลลักสุขรามังสุขถังตลอดและยังมีอยู่จนบัดนี้ เพียงแต่ท่านไม่สามารถมาติดต่อกับพวกเราได้แล้วเพราะท่านไม่มีเครื่องมือมือถือของท่านท่านโยนทิ้งไปแล้วเพราะมันเป็นทุกข์ท่านก็เลยไม่มีเหมือนคือร่างกายพอไม่มีร่างกายท่านก็มาสื่อสารกับพวกเราไม่ได้แต่ท่านยังอยู่พ้าหลานทั้งหลายก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มาเกิดเหมือนพวกเราแล้วเท่า น, นั้นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงบอกให้พวกเราให้ความสาคัญกันก็คือจิตใจของเรา ให้ดูแลจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนคือทาทานรักษาสิงและภาวนากันนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรยะถ า, าวารรวาหาปุราปาริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกะปติ เอติตังปะิตังต um ุมหังคิดภาเมวะสมิชฉาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจฉาตุสัพพโรโวินัสสตุ มาเตภวตวันตาาโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารูธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกคุยกันถามกันเพราะหลังจากเลิกแล้วจะมีเรื่องอย่างอื่นต้องทํากันก็เลยไม่สะดวกถ้าอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจได้ วันนี้มีผู้ติดตามติดรับชมรับฟังเท่าไหร่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ธรรมาน่ากุติทางเฟ c บุ o o ห้าร้อยสาสิบห้าท่าน YouTube พระอาจารย์สา7รอสิบเจ็ดท่านทางด r b c h ต n n e บีชาแนลหนึ่งอสาสิบเกท่านวิทยุออนไลน์แ8ดท่านครับ h o u สิบสี่ท่าน ผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสี่สิบถามท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกท่านเจ้าค่ะมีคำถา ม, มเชิญถามได้นะ เ, เวลาที่นั่งสมาธิอะค่ะบางครั้งอะมันจะมีอาการเหมือนเหมือนหลับอะค่ะเหมือนมันหมดความรู้สึกไปอะค่ะกุิมันหมดพอดีกุฏิมันน้อยก็เลยนั่งไม่ได้นาน ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อแล้วก็พยายามฝึกสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งพยายามฝึกบ่อยๆมากๆทั้งวันเอาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเนื้อคอยดูการเคลื่อนไหวของร่าง ก, กายอยู่ตลอดเวลาอั้นจะมีสติมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็บางทีอาหารก็มีส่วน เ้าประทานอาหารแล้วมานั่งมันก็จะทำให้สติมันหมนหมดง่ายมันหลับเร็วสถานที่ที่ยังไม่ทำให้ไม่หลับก็ต้องไปอยู่ที่มันเปี่ยวในป่าอย่างพระปฏิบัติก็จะชอบไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือไปอยู่ตามป่าช้ามันจะมีการตื่นตัวเพราะความกลัว ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็มันก็จะยากอยู่ที่บ้านอยู่ที่มันปลอดภัยมันก็มันก็เลยไม่มีอะไรมาให้ตื่นตัวให้มีความระมัดระวังนั้นคนที่ปฏิบัติบางทีต้องยอมยอมเสี่ยงกับความเป็นความตายเสี่ยงภัยบ้างเสี่ยงกับความทุกข์ยากลําบากบ้างเพื่อที่จะได้ผลทางด้านจิตใจถ้าไม่เช่นนั้น ก, ก็ต้องพยายามขยันเดินชมโคมแทน พอนั่งแล้วรู้สึกว่าเริ่มเคลิ้มไปแล้วเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วถ้าพอลุกขึ้นมาเดินต่อเดินไปสักพักแล้ ว, ลวก็พอรู้สึกหายง่วงแล้วก็ลองกลับมานั่งใหม่ก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะบางทีมันรู้สึกว่ามันมีตัวที่มันอยู่นิ่งๆกดอยู่ข้างในอะคะ่ะถ้ามันนิ่งก็ใช้ได้ตัวนิ่งก็คือตัวสติที่ทําให้มันนิ่งก็ตัวเบิดขา ถ้ามันนิ่งก็ดีถ้ามันไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่สัมผัสรับรู้ <c oughs> ก็แสดงว่าใจเรามีความนิ่งอยู่ในระดับหนึการ <c oughs> มันไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเพ่งหรือเปล่าอะค่ะอ๋อมันก็เป็นผลจากการที่เราเจริญสตินี่ละมีสติมากเท่าไหร่ความนิ่งเฉยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะทาให้จิตนิ่งสงบแบบไม่รับรู้อะไรเลย อันนั้นก็ต้องต้องปฏิบัติให้มากขึ้นฝึกสติให้มากขึ้นไปมีคำถามฝากถามมาเจ้าค่ะเวลาที่ป่วยจะนอนหลับตาสวดมนต์นึกถึงผ้าพระ ไม่ค่อยได้ค่ะเพราะทรมานกับความไม่สบายของร่างกายขอคำแนะนำจากพระอาจรควรทำอย่างไรดีเพื่อช่วยบรรเทาอาการเวลาที่ไม่สบายเจ้าค่ะก็ต้องทำให้มากขึ้นเราทำน้อยไปมันพอเจอเหตุการณ์รุนแรงมันก็เลยทำใจให้นิ่งไม่ได้ต้องฝึกบ่อยๆและอาจจะต้องไปซ้อมดูไปซ้อมหาที่ที่มันทำให้ใจเราวุ่นวาย เราพยายามใช้สติคอยระงับความวุ่นวายให้ได้ขาดมันมันอ่อนฝึกซ้อมเนะี่ยพอขึ้นสนามจริงมันก็เลยสอบตกนะสนามจริงก็คือเวลาเกิดภัยต่างๆเกิดความทุกข์ต่างๆเกิดความทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความทุกข์จากการที่จะคิดว่าจะต้องตายไปเนี่ยตอนนั้นใจมันจะป่วนมากจะวุ่นมาก ถ้าเราไม่มีสติฝึกซ้อนมาดีมันก็จะทำใจไม่ได้ถ้า mm hmm. อย่างเดียวที่จะทำได้ตอนนั้นก็คือพยายามสวดวนไปเรื่อยๆ mm hmm. เวลาใจวุ่นวายใจก็ถ้าใช้สติหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดวนไปสวดอิติปิเสไปสวดือบริกรรมพุทโธพุทโธไปจ mm hmm. นกว่าใจจะหายปัน่นหายปวด ห, หายวุ่นวายมันสงบนิ่งเราก็หยุดสวดได้ mm hmm. คำถามฝากถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะเป็นคำถามทั้งโลกเจ้าค่ะลูกได้ทำแหวนทองหายแล้วลูกขอความเมตตาชี้ทานจากพระอาจารย์ให้ลูกไม่ให้คิดแล้วก็ทำใจได้เจ้าค่ะอะไรหายนะแหวนทองเจ้าค่ะ ท, ทำใจได้แล้วนะก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นของเราพระเจ้าบอกของทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นของชั่วคราว มันดีคืน ด, น ด, นดีเจ้าของเขาเข้ามาเอาคืนไปฉะนั้นเตรียมตัวยกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไปให้หมดเช่นเวลาตายนี้เราก็เอาอะไรไปไม่ได้าตายก็ต้องคืนคืนเจ้าของเข้าไปหมดคืนเจ้าของก็คือดินน้ำลมไฟคืนธรรมชาติไปหรือคนที่มารับช่วงต่อไป คำถามต่อไปจากคุณนาคาพยากรณ์ขอความเมตตาพระอาจารย์กระผมสงสัยวิธีพิจารณากายนกายคติกายคตาสติหรือผมขนเล็บฟันหนังอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายแบบละเอียดให้ผมฟังหน่อยครับก็เป็นการเรียนรู้ว่าร่างกายเรามีมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีอาการ32เนี่ย ผมแล้วก็ดูผมอยู่ที่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรตอนต้นก็ดูภายนอกห้าอาการผมขนเล็บฟันหนังจากนั้นก็มองเข้าไปใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังก็มีเนื้อเนื้อมีเอ็นมีกระดูกแล้วก็มีอวัยวะต่างๆมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลาไส้ ถ้าไม่นึกภาพไม่ออกก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสือที่สอนนักศึกษาแพทย์ เ, ยเขาจะมีภาพวาดก็ได้ดูภาพวาดหรือดูภาพถ่ายก็ได้ดูแล้วก็เอามาจดจําเอาไว้แล้วพยายามเอามาศึกษามาท่องเหมือนกับเหมือนกับท่องสูตรคูณท่องจนกระทั่งมันจําได้ต่อไปเวลาเราเห็นร่างกายก็จะเห็นอาการที่เรามองไม่เห็นใต้ผิวหนังได้เช่นเห็นโครงกระดูก เวลาเห็นใครเขาหลอ่อเขาสวยงามก็หล่อจริงก็เปล่าสวยงามจริงเขาเปล่าทำไมต้องมีโครงกระดูกด้วยอะไรทำนองนี้ดูให้มันลึกเข้าไปข้างในมีส่วนที่ไม่สวยงามอยู่เยอะแยะนี่นี่คือการพิจารณาร่างกายให้ละความสวยงามแล้วให้ละการ ม, มีเห็นว่ามีตัวมีตนเพราะร่างกายมันไม่มีตัวตนมันมีแค่าอาการ32 ผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเม่เป็นเราหรือเปล่าฟันเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดทิ้งไปมันเราหายไปหรือเปล่าเราก็ไม่หายเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้อยู่ในผมขนเนื้ฟันหรังเราอยู่ในใจใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองเวลานั่งสมาธิพอใจสงบเราก็หายไปกับความสงบคำถามต่อไปจากคุณชิวชิว ขอแนวทางปฏิบัติสำหรับมือใหม่ไม่เคยเรียนที่ไหนคะ่ะจะภาวนาวางจิตยอย่างไรคะลองนั่งพุทโธแล้วมันสปงกเองบางครั้งทั้งที่ไม่หลับและยังพุทโธอยู่แบบนี้คืออะไรคะสติยังมีน้อยไปก็ถ้านั่งแล้วหลับก็ให้ลุกขึ้นมาเดินแทนเดินจงกรมเดินไปเดินมาแล้วก็พุทโธพุทโธไปก่อน ก า, ก, การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สอนว่ากาเราประกอบขึ้นจากธาตุสีอยากจะให้พระอาจารย์แนะนําว่าเราจะพิจารณาธาตุสียังไงให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างทองแท้ก็มันไม่ใช่ตัวเร า, เรามันจะก็ะะพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวบางคนร้องหมอขึ้นมาเองพิจารณาไปเรื่อยๆ แยกมันออกมาสิอาการสามสิบสองลองยากในใจยยกออกมากองไม่เป็นกองกองเอาผมไม่กอ ง, งเอาเล็บไปกองเอาฟันไม่กองเอาหนังไม่กองเอาเนื้อไม่กองแล้วลองไปถามดูกองไหนมีเราอวู่าง <c oughs> มันต้องแยกออกม า, าต้องแยกเข้าใจไหม <c oughs> แล้วดูเวลามันตายไปมันกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็น <c oughs> ดินน้ำไอก็เป็นด <c oughs> <ค>ินไปส่วนน้ามันก็ระเหยไป ลมมันก็ออกไปเราสามารถจะเปรียบเทียบได้ไหมคะ่ะเปรียบอะไรเลยก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ก็ได้คนขับกับรถยนต์นี้เป็นเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าใจก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้เป็นคนสั่งให้ร่างกายนี้เคลื่อนไวหวทําอะไรต่างๆแล้วก็ร่างกายมันก็ทําเหมือนกับรถยนต์มีส่วนรถยนต์ก็มีลอ้อมีเครื่องยนต์มีพวงมาลัยมีเบรกอะไรแต่สถึงเอาห น, นี้มันเป็นคนขับรถหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นใช่ไหม คนขับไม่ได้เป็นล้อไม่เลยเป็นพวงมาลัยไม่ได้เป็นเบรกเป็น break, เนนะบาะที่นั่งคนขับร่างกายนี่ก็เหมือนกันคนขับร่างกายก็ไม่ได้เป็นผมเป็นขนไม่ด้เป็นฟันไม่ได้เป็นธาตุสีที่น้นนนํำลมไฟถ้าตสีมันก็เริ่มจากธาตุของพ่อแม่สองหยดใช่ไหมไปดูเขาผสมเทียมเลยในหลอดแก้วเขาก็หยอดของเชื้อของพ่อมาหยดเชื้อของแม่มาหยดมา ใส่เข้าไปพอมันพอมันผสมกันก็มันก็เลยเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วก็เติมธาตุเข้าไปเรื่อยๆเติมดินเติมน้ําเติมลมเติมไฟผ่านทางสายสะดือของแม่น<ค><อ>ก็พิจารณาไล่ไปตั้งแต่ต้นจนจบมันจะได้เห็นว่ามันมาจากธาตุแล้วมันก็กลับเกินสู่ธาตุ<ค><อ>แต่จะให้มันชัดเจนต้องนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิจิตสงบแล้วมันแยกออกจากร่างกายด้วย คำถามจากคุณวานหวานนมัสการถามครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในการแก้ปัญหาการฝันพบเจอผีเจอคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือฝันน่ากลัวหรือฝันบ่อยๆครับก็พยายามฝึกสติหยุดความคิดไว้เพราะความฝันก็เกิดจากความคิดของเรา ถ้าจิตเราคิดฟุ้งร้า น, ม, นมันก็จะฝันบ่อยถ้าฝึกสตินั่งสมาธิความความฝันก็จะลดน้อยถอยลงแล้วถ้าต้องการจะฝันดีก็ให้มันทำบุญนอย่าไปทำบาปแล้วต่อไปมันก็จะฝันดีมันจะไม่ฝันร้ายแล้วถ้าฝึกสมาธิได้จิตสงบมันก็จะไม่ฝัน คำถามจากคนสายทานพานนพเก้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์กระผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายมีอาการกระตุกจะมีวิธีแก้อย่างไรครับไม่ต้องแก้เราก็รู้มันเฉยเฉยไปเท่านั้นองมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นอนัตตานีมันกระตกเราไปไม่ได้ไปสั่งในหะ้มันกระตุก มันก็ห้ามมันไม่ให้กระตุกไม่ได้ก็ปล่อยมันกระตุกไปเรามีหน้าที่ดูลมทำใจให้สงบ ก, ก็ทำไปไม่เกี่ยวกันไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายคาถามจากคุณจันนิภากราดเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักศีรษะและตัวจะงุ้มลงจนรู้สึกเมื่อยคอแบบนี้เราสามารถยึดตัวให้ตรงหรือควรทำอย่างไรคะเพื่อให้สมาธิยังต่อเนื่อง มันเป็นผลจากที่การที่เรามีสติไม่ไม่มากสติน้อยพอเริ่มนั่งแล้วมันก็อาการเคลิ้มก็เข้ามาแล้วตัวก็เริ่มงอคอก็พับขึ้นถ้าฝึกสติมากๆเวลานั่งมันก็จะนั่งตัวตรงเห็นพยายามฝึกสติให้เยอะๆฝึกทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พูดโทรไปเลยแล้วเวลานั่งมันจะมีสติมากแล้วมันจะทำให้ไม่ให้ใจเคลิ้ม เมื่อใจไม่เคลิ้มร่างกายก็จะไม่งอคำถามต่อไปจากคุณเล็ก <c oughs> ขอสอบถามเจ้าค่ะคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เวลาเสียชีวิตไปเขาจะมีจิตที่รับรู้ได้เหมือนตอนที่เขายังไม่ป่วยไหมเจ้าค่ะและคนที่สติไม่ดีหรือคนบ้า ก, ก็เหมือนกันใช่ไหมคะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะใช่มันก็จะติดไปกับใจมันเป็นโรคทางใจโรคขาดสติ สติน้อยมันก็เลยจะทําทให้จํายะจําได้น้อยถ้ามีสติมากมันก็จะจําได้มากถ้าหลานหันถึแม้ท่านจะแก่ขนาดไหนท่านก็จะไม่ท่านก็จะไม่เป็นเอาใสา่เมื่ อ, อเพราะท่านมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าท่านกําลังคิดอะไรกําลังพูดอะไรกําลังทําอะไรการฝึกสตินี้เป็นสิ่งจําเป็นและมันจะติดไปกับใจพรุ่น้ามันก็จะเป็นต่อ ถ้าเป็นเอาซารเมอร์พบนี้พบหน้ามันก็ไปเป็นต่อ คำถามจากคุณเอมมี่กราบสอบถามพระอาจารย์เรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวันค่ะหนูพยายามบริกรรมพุทโธ ท, ทั้งวันบางครั้งเผลอก็จะกลับมาบริกรรมต่อแต่ส่วนมากรู้สึกว่าใจยังฝุ่งไปตามโลกหนูจะต้องทําอย่างไรคะปกติหนูพยายามรักษาศีลห้าสวดมนต์และนั่งสมาธิวันละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสงบบ้างฟุ่งบ้างค่ะพระอาจารย์พอเราพุทโธน้อยสิ ต้องพูดโทอยู่ตลอดเวลาให้มากพูดโทแค่สองสามคำแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่อ ง, ง, งนี้มันก็ฟุ้งอเหมือนรถเน่ยรถที่เราจะให้มันหยุดเนี่ยแต่ถ้าเราแตะเบรคปั๊บแล้วเราก็ปล่อยมันก็วิ่งต่อถ้าจะให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรคจังกามันจะหยุดเราถึงค่อยถอนเบรคออกมาพูดโทก็ไปเหมือนเบรกเบรคเบคความคิดของเราถ้าเราพูดโทได้สองสามคำสองสามวินาทีแล้วเราก็หยุด มันก็คิดต่อไปมันก็ฟุ้งต่อไปเรนต้องให้มันพุโทโธพุทธโทพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆลองดูสักห้านาทีก่อนก็นไม่ต้องมากแล้วมันจะเห็นความแตกต่างขึ้นมาเลยถ้าเราต่องพุโทโธอย่างต่อนเนื่องได้ห้านาทีไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราจะเห็นความรู้สึกที่มันจะเปลี่ยนขึ้นมาในใจเราใจเราจะเริ่มรู้สึกเย็นลงสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นลองเอาตั้งใจเอาจริ ง, รงสักทีสิอย่า อย่าทำเป็นแบบใจลอยพุโทโธปับ๊บเดี๋ยวเผอไปแล้ว๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคำถามจากคุณนาวาพระอาจารย์คะจิตเขามีอาตาะของเขาเองทำไมไม่ใช้สิ่งที่เขามีสร้างความสุขแต่กลับมาอาศัยร่างกายมนุษย์ค่ะยมเข้าใจว่าเพราะยังโง่อยู่ถูกกิเลสปัญหาชักจูงให้เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรา จึงต้องสอนจิตให้ฉลาดให้ยอมรับกฎธรรมชาติคือใจรักยอมเข้าใจถูกหรือผิดไปไหมคะถูกต้องแนละ้วเพรงั้เห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันอยู่ภายใต้กฎข อ, องใจรักอย่าไปหาอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันจะเจอความทุกข์ตามมาไมหาความสุขจากการทำใจให้สงบอันนี้ไม่มีความทุกข์ตามมา มีคำถามจากคุณเหล็กคะ่ะในการปฏิบัติของพระอาจารย์เคยสลบจนหมดสติไหมคะกว่าจะเห็นธรรมเจ้าคะ่ะ อ, อ, อย่าถามเรื่องส่วนตัวเลยนะคุณขอขอขอสมวนไว้เป็นยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าคะ่ะโอเคไม่มีก็ดีแล้วอนะ่ะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา